สิกขาบทที่4เรื่องพระชัพขีหสี641สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสุฉับคีสแสดงธรรมแก่คนผู้อยู่บนที่นอนพระบัญญัติ 4. พึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้อยู่บนที่นอนเรื่องพระชับีจบ สิขาบทวิพังพิกษสูไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้อยู่บนที่นอนพิกษสูใดไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้อยู่บนที่นอนโดยที่สุดผู้นอนบนพื้นดินต้องอบัตทุกกฎอนาปฏิวานพิกษสูตอบไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1นึ่พิษสูไม่จงใจ2องพิษสูไม่มีสติ3ามพิษสูผู้ไม่รู้4ี่พิษสูผู้เป็นไข้5้าพิษสูผู้มีเหตุขัดข้อง 6. ภิกษุวิกลจริต 7. ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่4จบ